เาดือดอนตรงไหนเราอยากได้มันก็ต้องไปหาใช่ไหมล่ะเงยจะแสนเงยแอบว่าต้องทนหาอันนี้เราอยากจะได้รูปสวยๆอยากจะตั้งเสียงเพราะๆอยากจะได้กลิ่นหอมๆอยากจะได้รสอร่อยๆอยากเลยสัมผัสที่อ่อนนุ่มอี่มันเนื้อยากทเฉยๆยังไม่ได้ไปหานะนึกอยู่ักที่นอนมือเกินในาพาคเนึกนั่งไปตจนไม้เนึกก็ตาม อัง น, นี้ท่านเรียกาเป็นบาปแล้วจะเป็นอย่างกลางมันอยู่ในใจของแต่ละบุคคลสองพยาบาทใจโกรธใจขุนเช่นได้ยินเสียงหงเหูหรือฟังอารมณ์ที่เขาพูดมันผิดหั <c oughs> ของเราไม่พอใจแต่ก็ยังเฉยเฉยไม่พูดแต่ในใจรู้สึกไม่พอใจไม่ว่าพูดไม่ถูกหูแล้ว <c oughs> อย่างนี้ก็เป็นโทสะ <c oughs> เป็นอย่างกลาง ง่วงเหงาห้านอนเรล็กผนะีน้ำนิทะท้อใจอดใจมีก็เป็นบาปอุดทัศจะโคุรจะคุ้งซ่านลำคาญงดหิดใจมีอยู่กับตัวมันคิดจะนอกเลยมีก็เป็นบาปนิสิติฉาสงสัยลังเลใจบุญมีไหมบาปมีไหมตายแล้วเกิดอีกหรือไหมนรกสวรรค์มีไหมนี่ห้าตัวนิทะเลขข็กนิวอน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 จากกรุงเทพไปยจังหวัดเพชรบุรีวัดอะนะมันมีวัดหนึ่งอยู่นั่นเป็นวัดกรรมฐานเพิ่นโลกศิษย์ของอัตมาคนหนึ่งคือมหาพ่องที่ไปรเรียนศีลประโยคไปอยู่ที่นั่นเป็นเจา้าสานักวัตรจำพันธแรงเนี่ยโยมหนีเสือไปพบเจริญเข้ก็เลยทําลองดูเนี่ยหนอในราคาหลายพันบาทนะแต่นี่กลัวหนอบางแรกค่ะอนนี้สงสัยแต่เมื่อทดลองแล้วหายสงสัยแล้วนะ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 ดวงที่สองสามสี่ห้ากเจ็ดสี่เจ็ดชวนาเนี่ยเป็นบุญไอ้กิเลสมันขาดในชวนาดวงที่ห น, นึ่งถึงดวงที่เจ็ดนี่แหละท่านขาดไปเจ็ชาตินั่นแหละเนี่ยทำไ ม, มจังขาดเพราะศีลสมาธิปัญญาเกิดศีลยึดขนันห้าเป็นอารมณ์สมาธิยึดขนันห้าเป็นอารมณ์ปัญญายึดขนันห้าเป็นอารมณ์นี้คือมรรคแปดมรรคแปดย่อให้สั้นเหลือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นกขาโดดได้ยินเนอะยินเนาะในกิเลสขาดไปถึงเจ็ดชาติแล้ว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 ทำไมจะไม่ได้ต้องเสียเวลามากงั้นจะไปนิพพานก็ต้องไปทางไหนมรรคแปดนั่นแหละสมได้ทอดตัดไปแล้วอืมทางสายนี้ก็คือมรรคแปดในแนวปฏิบัติสุนียเทศในวันนี้มรรคแปดธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรจำครองใดทางนั้นแหละสมาทิที่เห็นชอบสัมาสังฆโพดํารีชอบสมาวิจาวิจาชอบสมาสรรมโทการงานชอบสมาชโฉเป็นอยู่ชอบสมาวายังโฉเพียนชอบสมาสติชอบสมาสมิสตั้งใจชอบ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 อย่างนั้นในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านจึงกล่าวไว้ว่าสติที่กำหนดขาที่ก้าวไปนั้นเป็นตัวทุกขสักัะสาสมุทหาติกาโูริมะตัญหาตัญหาก่อนๆที่ให้สติเกิดนั้นเป็นสมุ ท, ทยัยสัพปะพินังอปปวติความไม่เป็นไปแห่งทุกขสมุ ท, ทยัยเป็นเโรเนโรธะอริยสั์ ทุกขะปริชาณโนสมุทัยปัจจานุนิโรธารมโนอริยมขโหมขสัตทุกขะปริชานณโนสมุทัยปัจจานุนิโรธารมน โ, อรมโมรรานอริยมขโหมขสัตจังอริยมัตกําหนดรู้ทุกขะสมุทยัยมีนิโรตเป็นอารมณ์เป็นมัคคสัตนี่ก็ทาหน้าที่อยู่ที่เดียวกันนะทั้งทุกสมุทยัยนิโรตอยู่ที่นั้นแหละพร้อมกันเหมือนกับโวมจุดเทียนบูชาพระ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 ขณะที่โยมเดนินโยกรมขวาย่างหนอเนี่ยพูดเท็จไม่มีใช่ไหมพูดคาหยาบไม่มีใช่ไหมพูดตอ่เอเสียดไม่มีใช่ไหมพูดเพ้อเจ้อไม่มีใช่ไหมมีได้ยังไงเพราะใจยโยมอยู่ที่ส้นเท้ า, น า, า, นาเนี่ขวาย่างหน๋นี้แหละเขาเรียกวิรติสัมมาวจจะอันนี้จึงจะเป็นสัมมาวจาในมักแตกต้องได้รูป ก, กับนามเป็นอารมณ์ สัมมากัมมันโตข้อที่สีเหมือนกันการงานชอบนี้แจกๆไปเป็นสามหนึ่งเจตนาสัมมากัมมันโตอัตมาตั้งใจจะทํางานให้ดีที่สดุดโยมก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สดุดแต่เป็นข้าราชการเป็นอาหารตารวจพอค้าประชายชนคิดตั้งใจให้ดีวันเนี้นี่ก็เป็นกุศลกรบมบดิบไม่ใช่มรรคแปดยาถาสานะสัมมากัมมันโตเ ว, วลาทําก็ทําเต็มความสามารถนี่ก็ไม่ใช่มรรคแปด เป็นกุศลของโมบทิทธิ์วิรตีสัมมารกรรมันโตหดเว้นเด็ดขาดจากกายทุกจริลุดสโจมเดินจงกรมขวาย่างหนอเนี่ยฆ่าศักดิ์มีไหมลักทรัพย์มีไหมไปเยี่งลูกเตียงเมียเขามีไหมไม่มีไม่มีเป็นหรื อ, อยังเป็นสัมมารกรรมันโตหรือยังการงานชอบแล้วนี่แหละเขาเรียกวิรตีกษษิตตสิทธิ์วิรตีสัมมารกรรมันโต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 นี่ไม่ใช่มรรคแปดนิริยาสวิรัตีสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะงดเว้นเด็กขาดจากกายทุกข์จริตสามวิจีทุจริตสอันนี้เป็นมรรคแปดนใกโยมเดินขมขวาย่างหนาะขณะนั้นกายทุกข์จริตสามไม่มีวิจิตรจริตสีไม่มีนี่แหละเป็นสัมมาอาชีวะในมรรคแปดต้องยึดขันห้าเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ไปยึดอะไรเป็นอารมณ์ทั้งนั้นมรรคแปด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 ทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมรวมลงสู่จุดเดียวทนั้นคือความไม่ประมาทได้เจิมีสติสตินี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเครียกประสติประธานมีสติเป็นประธานพระพุทธองค์ทรงย่อคำสั่งสอนทั้งหมดโซแปด 8, 000, 000, มือนสี่พันพัตมะขันเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลือข้อเดียวคืออัปปมาทะแปลว่าความไม่ประมาท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 ท่านจึงแจกไว้ละเอียดในขั้นพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้ว่าสกัลลังปิหิเตปิตตังพุทธวัจจนะอริตตวากติยมานังอัปปมาทังเอวโอตรติจิงโยพุทธวจนังอันวักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตปิตตะังจบทั้งสามปิดดกสกัลลังตัวแม้ทั้งสิ้นอาหริตธวากติยมานังที่พระนักเทศพระธรรมกัทธินมทิธโยมฟังอยู่นั้น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 ขณะที่โนูพอน้อยกิเลส ข, ขาสตัจิตชาติเป็นนิโรธอริยสัจนี่โธอริยสัจหมดไปเมื่อโทกแล้วก็ือว่าโกต้องตามธรรมนองของธรรมในพระไตรปิฎออกนังนั้นสมเด็จพอ่อจึงเตือนไว้ว่าโกจิภิคอยฮะโกจิภิคอยภิคโนโคจโรสโกเมติโกวิสโยยะทิทังจัตตโรสติปัฏฐานา โลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายธรรมะใดที่เป็นโคจรของพิโกธรรมะนั้นเป็นอมะตะมรดกเป็นมรดกอันไม่ตายอันดั้งเดินของมรดาบิดาโคจรคืออารมณ์นั้นในเกสติปฐานทั้งสี่นี่โลตเนี่ยนี่แหละเรียกว่าหนทางที่เราจะต้องเดินย่างไปทั้งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้มากควายย่างหนอใส่หนอคลองหนอยุกหนอนี่แหละ